ความไม่ยินดีในภาวนาความปราโมทเป็นทางหลุดพ้นของพระอริยะทั้งหลายเพราะพระอริยะย่อมหลุดพ้นด้วยความปราโมทนั้นความไม่ยินดีในภาวนาเป็นเครื่องกั้นทางหลุดพ้นเพราะบุคคลย่อมไม่รู้เห็นความปราโมทว่าเป็นทางหลุดพ้นของพระอริยะเนื่องจากถูกความไม่ยินดีในภาวนานั้นปิดบังไว้ดังนั้น ความไม่ยินดีในภาวนาจึงเป็นเครื่องกั้นทางหลุดพ้นในคำพีมหาดิกาลก่า ว, ว่าความปราโมทเป็นเหตุเกิดของฌานข้อความนั้นกล่าวไว้ในโอกาสที่แสดงเรื่องสมถภาวนาแต่ความปราโมท ย, ยังเป็นเหตุเกิดของปิติเป็นต้นในวิปัสนาภ า, าวนาอีกด้วยดังพระพุทธวจนะที่ตรัสถึงปิติปสัสสิสุขสมาธิ และยะถาภูตยานว่าเกิดจากความปราโมทในที่นี้จึงกล่าวถึงความปราโมทที่เกี่ยวกับวิปัสนาภาวน า, ภานักปฏิบัติผู้กำหนดรู้สภาวะธรรมได้อย่างชัดเจนมักเกิดเพลิดเพลินในการปฏิบัติความเพลิดเพลินนี้ชื่อว่าปราโมทและเมื่อปฏิบัติจเจริญวิปัสนาต่อไปด้วยความปราโมทนี้ย่อมหลุดพ้นจากวัฏฏสงสารได้ ความประโมดจึงเป็นทางหลุดพ้นของพระอริยะทั้งหลายความปราโมดย่อมเกิดขึ้นได้ง่ายแก่ผู้ที่มีสภาพไม่สุขุมและเกิดยากแก่ผู้ที่มีสภาพสุขุมเหมือนเด็กที่ได้รับเหรียญสตางก็พอใจแต่ผู้ที่สุขุมมักเกิดความประโมดได้เมื่อบร ล, ลุอุทธพยัญายาเป็นต้นไปดังพระพุทธจนะในคมภีธรรมบทว่า ยะโตยะโตสัมามสติขันธานังอุทย พ, พยังละปติปิติปราโมชังอมะตะตังวิชาณะตังเมื่อภิกษุยังเห็นความเกิดขึ้นและดับไปแห่งขันแล้วย่อมได้ความปิติปราโมชซึ่งเป็นสิ่งอมตะสำหรับท่านผู้รู้ทั้งหลายความปราโมช ด, ดังกล่าวจะปรากฏชัดแก่ผู้มีสติ สมาธิและปัญญาแก่กล้าตามข้อความที่จะกล่าวต่อไปในปริเชตที่ห้านักปฏิบัติจึงไม่จำเป็นต้องพยายามเพื่อให้เกิดปราโมทอย่างไรก็ตามในบางขณะที่กำหนดไม่ได้ดีแล้วเกิดความเบื่อหน่ายพึงรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรยัย ประโยชน์ของการเจริญวิปัสนาความหมดจดแห่งศีลตั้งแต่เริ่มมาปฏิบัติธรรมในสำนักกรรมฐานและความประเสริฐแห่งวิปัสนาซึ่งประศจากกิเลสเจือพนดังนี้เป็นต้นหรือกำหนดความเบื่อหน่ายจนกว่าจะหายไปแล้วก่อให้เกิดความปราโมทเพื่อกระจัดความเบื่อหน่าย ความเบื่อไดยในการเจริญวิปัสนาชื่อว่าความไม่ยินดีในภาวนามีบุคคลมากมายไม่อาจปฏิบัติทำได้เพราะถูกความเบื่อหน่ายครอบงำผู้ที่สามารถปฏิบัติธรรมเป็นเวลานานมีจำนวนน้อยมากคนทั่วไปจึงเวียนตายเกิดอยู่อย่างนี้ดังพระพุทธวจนะในคำพีธรรมบทว่าอันทภูโตอายังโลโก อนุเกตถวิปัสติสกุโนชาลามุตโตวะอโปสัก ข, ขายาคับจติโลกนี้มืดมนน้อยคนจกเห็นแจ้งน้อยคนจะไปสวรรค์เหมือนคำพีอถกถาอธิบายว่าคำว่าน้อยคนจะไปสวรรค์หมายถึงความน้อยคนจะไปสวรรค์และนิพพานคำนี้จึงหมายถึงการบรรลุนิพพานอีกด้วย ผู้ที่เจริญวิปัสนาอยู่นั้นบางคณะอาจกำหนดรู้เท่าทันสภาวะธรรมปัจจุบันได้ไม่ชัดเจนหรืออาจไม่บรรลุวิปัสนาญาณระดับสูงกว่าเดิมทำให้เกิดความเบื่อหน่ายในภาวนาเมื่อเกิดภาวะดังกล่าวความพเพลิดเพลินในภาวนาจะอันตรธานไปส่งผลให้ไม่อาจปฏิบัติธรรมต่อไปเมื่อเป็นดังนี้ เขย่อมหลุดพ้นจากวัฏสงสารไม่ได้ความไม่ยินดีในภาวนาจึงเป็นเครื่องปิดกั้นทางหลุดพ้นอกุศลธรรมทั้งปวงกุศลธรรมทั้งปวงเป็นทางหลุดพ้นของพระอริยะทั้งหลายเพราะพระอริยะทั้งหลายย่อมหลุดพ้นด้วยกุศลธรรมนั้นอกุศลธรรมทั้งปวงเป็นเครื่องกั้นทางหลุดพ้นเพราะบุคคลย่อมไม่รู้เห็นกุศลธรรมว่า เป็นทางหลุดพ้นของพระอริยะเนื่องจากถูกอกุศลธรรมนั้นปิดบังไว้ดังนั้นอกุศลธรรมทั้งปวงจึงเป็นเครื่องปิดกั้นทางหลุดพ้นกุศลธรรมทั้งหมดมีทานศีลภาวนาและการขวนขวายเป็นต้นเป็นทางหลุดพ้นของพระอริยะทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากุศลธรรมที่ไม่ควรทาหามีไม่ ทุกอย่างเป็นทางแห่งความหลุดพ้นทั้งสิ้นโดยคล้อยตามจิตที่ตั้งไว้ดีเพื่อความหลุดพ้นดังพระพุทธวจนะว่าสามมาปานิหิตตังจิตตังเส ย, ยโสนางตะโตกะเรจิตที่ตั้งไว้ชอบย่อมทำสิ่งนั้นได้อย่างประเสริฐภิกษุนั้นจะทำลายอวิชชาจะยังอวิชชาให้เกิดขึ้น จะกระทาให้แจ้งพระนิพพานด้วยความเห็นที่ตั้งไว้ชอบด้วยการอบรมมรรคที่ตั้งไว้ชอบข้อนั้นเป็นฐานะที่มีได้อย่างไรก็ตามการเจริญวิปัสสนาเป็นกุศลชั้นสูงซึ่งเป็นทางหลุดพ้นอย่างแท้จริงนักปฏิบัติจึงควรเจริญวิปัสสนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพราะวิปัสสนาภาวนา เป็นกุศลสูงสุดในบรรดาโลกียกุศลซึ่งทำให้นักปฏิบัติรับพระนิพพานเป็นอารมณ์ด้วยมัรคยานในขณะที่วิปัสสนาแก่กล้าเต็มที่ดังนั้นเมื่อเจริญวิปัสสนาอยู่นักปฏิบัติจึงไม่ควรใส่ใจต่อการเจริญกุศลอื่นขอยกเรื่องพระอตตะทัตเถระมาเป็นตัวอย่างในที่นี้คือ ควรมุ่งประโยชน์ตนเป็นหลักในเวลาที่พระผู้มีพระภาคใกล้เสด็จดับขันธาปรินิพานมีภิกษุรูปหนึ่งดำริว่าพระพุทธองค์จะปรินิพานในอีกสี่เดือนข้างหน้าแต่สมณะกิจของเรายังไม่เสร็จสิ้นเราจะเพียรปฏิบัติธรรมให้บรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ จึงได้เจริญสมณธรรมอันเป็นประโยชน์ตนมิได้เข้าร่วมประชุมปรึกษากิจต่างๆกับภิกษุอื่นเหล่าภิกษุจึงเรียกท่านว่าพระอัตตทัต tha แปลว่าพระผู้มุ่งแต่ประโยชน์ตนขณะนั้นภิกษุผู้ทึ่งเป็นปุถุชนบางรูปไม่พอใจจึงไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุรูปนั้น มิได้เลื่อมสในพระองค์จึงไม่มาประชุมปรึกษากิตเกี่ยวกับการปรินิพานของพระองค์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรียกพระอัตะทัตะมาตรัสถามเมื่อทรงทราบข้อความนั้นแล้วได้ตรัสอนุโมทนาสาธุการแล้วทรงสั่งสอนเหล่าภิกษุดังข้อความในอัตถกถาธรรมบทว่า พระบรมศาสดาสทรงธรรมสาธุการแก่ภิกษุนั้นแล้วตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุใดมีความเลื่อมใสในตถาคตเธอควรเป็นเหมือนพระอั ต, ตทถทธะเพราะผู้บูชาด้วยของหอมเป็นต้นไม่ชื่อว่าบูชาตถาคตแต่ผู้บูชาด้วยการปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่โลกุตตรธรรมชื่อว่าย่อมบูชาตถาคต ดังนั้นแม้ภิกษุรูปอื่นก็ควรเป็นเหมือนกับพระอัตทัตถะต่อจากนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสคถานี้ว่าอัตทัตถังปรัเถนะพาหุนาปินะหาปเยอัตทัตถะมะพินยายะสัทธะปะสุโตสิยา ไม่ควรเสียประโยชน์ตนโดยแลกกับประโยชน์อันมากมายของคนอื่นเมื่อรู้จักประโยชน์ของตนแล้วก็ควรไฝ่ใจขวนขวายในประโยชน์ของตนถ้าผู้ตามวิถีทางของชาวโลกผู้ที่หาเงินให้คนอื่นได้เป็นร้อยเป็นพัน แต่ถ้าประโยชน์ตนเสียหายก็ไม่ควรหาเงินให้คนอื่นแม้ตามวิถีทางธรรมก็เช่นกันผู้ที่อาจสอนให้คนอื่นบรรลุอรหัตผลได้ก็ไม่ควรละประโยชน์ตนแม้เพียงโสดาปฏิพันธเพราะประโยชน์ของผู้อื่นทําให้ตนเป็นสุขไม่ได้ดังนั้นจึงควรปฏิบัติธรรมมุ่งประโยชน์ตนเป็นหลักแม้ในบรรดาประโยชน์ตนที่มีหลายอย่าง ก็ควรละประโยชน์ที่ไม่สำคัญมุ่งทาประโยชน์ที่สำคัญคือการบรรลุธรรมอันสูงสุดดังคำพีอัตกถากล่าวว่าคำว่าอัตาทัตถังนะหาระเยมีความหมายว่าธรรมดาภิกษุไม่พึงทอดทิ้งกิจมีการปฏิสังขรพระเจดีย์เป็นต้นที่เกิดขึ้นแก่สงฆ์หรือ อุปชัยวัตเป็นต้นเพราะผู้ที่บำเพ็ญอภิสมาจาริกวัตรย่อมกระทำให้แจ้งอริยผลได้เพราะผู้ที่บำเพ็ญอภิสมาจาริกวัตรย่อมกระทำให้แจ้งอริยผลเป็นต้นได้ดังนั้นแม้กิจข้างต้นก็ชื่อว่าเป็นประโยชน์ตนโดยแท้แต่ภิกษุใดปรารบวิปัสสนายิ่ง ย่อมเที่ยวไปปรารถนาการแทงตลอดในวันนี้หรือพรุ่งนี้พิกษุนั้นแม้ทอดทิ้งอุปชัยวัดเป็นต้นก็พึงกระทำกิจของตนเท่านั้นความจริงแล้วพิกษุผู้เป็นสัตว์ทีวิหาริกควรกระทำอุปชัยวัดเป็นต้นผู้ไม่กระทำจะต้องอาบัตทุกกฎเพราะทอดทิ้งวัด ทั้งปฏิโมคขสังวรสีนก็ด่างพร้อยทำให้เป็นอันตรายต่อสวรรค์และนิพพานกระนั้นก็ตามภิกษุอา จ, จเจริญวิปัสสนาโดยไม่กระทำอุปชัยวัรด้วยการขออนุญาตพระอุปชาก่อนจะป่วยกล่าวไปยายในสังฆกิจมีการปฏิสังขรนเจดีเป็นต้นในเวลาที่พระพุทธองค์ใกล้จะเสด็จดับขันธทปรินิพพาน ในศาลาวโนทยานของมรลคกษัตริย์นักกรุงกุศินาราเทวดาและพรหมจำนวนมากจากเมือนจักรวาลมาบูชาพระองค์ด้วยของหอมและดนตรีพระพุทธองค์ตรัส ถ, ถึงการบูชาเหล่านั้นว่าดูกระอานนตถาคตไม่ชื่อว่าได้รับสักการะเคารพนับถือและบูชาบวงสรวงด้วยเครื่องบูชา มีประมาณเพียงนี้แต่บุคคลผู้เป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่โลกุตระธรรมปฏิบัติชอบประพฤติ ธ, ธรรมตามธรรมบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้ศักการะเคารพนับถือและบูชาบวงสรวงตถาคต ด้วยการบูชาอย่างยิ่งดูกระอาโนนดังนั้นพวกเธอพึงดำริว่าเราจักเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่โลกุตรัธรรมปฏิบัติชอบประพฤตตามธรรมพวกเธอพึงสาเนีกอย่างนี้ในคัมพีอธกิกถาอธิบายเรื่องนี้ว่าแม้การสักการะบูชาพระผู้มีพระภาค ด้วยของหอมเป็นต้นจะเป็นกุศลธรรมที่เป็นทางหลุดพ้นแต่การบำเพ็ญบา ร, รมีถึงสีอสงไขยแสนมหากรัปของพระองค์มีจุดมุ่งหมายเพื่อโปรโดวินัยศัสตร์ให้บรรลุมรคผล่มีใช่เพื่อรับการสักการะบูชาถ้าบุคคลพอใจด้วยการสักการะบูชาเช่นนั้นแล้วมิได้บำเพ็ญกุศลที่ทาให้บรรลุธรรมโดยตรง คือศีลสมาธิและปัญญาย่อมจะบรรลุมรรคผลและหลุดพ้นจากวัตถุกข์ในชาติปัจจุบันไม่ได้อันหนึ่งการสักการะบูชาดังกล่าวไม่อาจดำรงพระาศาสนาไว้ได้เพียงชั่วดื่มข้าวยาคูครั้งเดียวแม้การสร้างวัดหรือเจดีสักพันหนึ่งก็เป็นกุศลแก่ผู้สร้างถวายซึ่งไม่ใช่การบูชา ที่ดำรงพระศาสนาแต่การบาเพ็ญศีลสมาธิและปัญญาเป็นการปฏบิบัติบูชาซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้บูชาอย่างแท้จริงทั้งอำนวยประโยชน์ให้พระศาสนาดำรงมั่นด้วยเหตุนี้ปฏบิบัติบูชาจึงเป็นการบูชาอันสูงสุดดังข้อความในธรรมธายาสูตรว่าดูกระพิกสุท์ทั้งหลาย พวกเธอจงเป็นธรรมทายาทของเราอย่าเป็นอมิสทายาทเรามีความกรุณาแก่เธอว่าแค่ไหนหนอสาวกของเราพึงเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอมิสทายาทข้อความนี้หมายความว่าปัจจัยสี่คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและเภสัตชที่พระพทุทธองค์ทรงอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายเป็นอมิตรสิ่งของ ภิกษุผู้รับอมิตรเหล่านั้นแล้วพอใจด้วยการบริโภคใช้สอยโดยไม่เพียนปฏิบัติธรรมเพื่อบรุมัรผลและนิพพานชื่อว่าอามิสตาญาตคือผู้รับมรดกที่เป็นอมิตรแม้กุศลทั้งหมดที่กระทำด้วยมุ่งหวังความสุขในภพก็จัดเป็นอมิตรเช่นกันภิกษุหรือคารวาสผู้พอใจกุศล น, นั้น ก็ชื่อว่าอามิสทายาตโดยปริยายบุคคลดังกล่าวได้ประสบกับพระศาสนาที่ยากจะพบได้แล้วรับเอาเพียงอามิตสย่อมไม่อาจพ้นจากทุกในวัฏฏะได้พระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นว่าพวกเขาต้องพบกับทุกในวัฏฏะอันยาวนานจึงทรงสงสารเหล่าสัตว์ดังกล่าวเหมือนมารดาพบเห็น บุติดาที่จะเผชิญกับความทุกข์อันใหญ่หลวงก็เกิดความการุณาสงสารดังนั้นจึงทรงสั่งสอนไม่ให้สาวกพอใจในอมิตรเท่านั้นแท้จริงแล้วโลกุตระธ ร, รมคือมรรคผลและนิพพานเป็นมรดกธรรมของพระพุทธองค์แม้ข้อปฏิบัติที่ทำให้บรรลุธรรมเหล่านั้นได้แก่ศีลสมาธิและวิปัสสนา ก็จัดเป็นมรดกธรรมโดยปริยายนอกจากนี้กุศลทั้งหมดที่กระทําเพื่อการบรรลุนิพพานอันได้แก่ทานศีลเป็นต้นก็ชื่อว่ามรดกธรรมโดยปริยายเพราะเป็นเหตุแห่งการบรรลุธรรมในอนาคตชาติดังนั้นสาวกของพระบรมศาสดาจึงควรเพียรปฏิบัติเพื่อรับเอามรดกธรรมโดยตรงและโดยปริยาย อย่างไรก็ตามพระพุทธองค์ทรงประสงค์ให้รับมรดกโดยตรงที่เป็นมรรคผลและนิพพานพร้อมทั้งศีลสมาธิและวิปัสสนาที่เป็นเหตุให้บรรลุธรรมในปัจจุบันชาติดังที่พระองค์ทรงแนะนำพระโปตทิระไว้เรื่องพระโปตธิระจะกล่าวไว้ในปริเชตที่สี่ ชาวพุทธจึงควรมุ่งการบรรลุมรรคผลเป็นพระอระหันต์ในชาตินี้เป็นจุดหมายของชีวิตดังพระพุทธวจนะในคัมภี์ธรรมบทว่าภิกษุเอยเพียงมีศีลาจารวัตเพียงมีภูมิปริยัติคงแก่เรียนเพียงภาคเพียรปฏิบัติจนได้ฌานเพียงอยู่ในสถานสงบสงัดได้รับสุขของพระอนาคามี ที่สามัญชนทั่วไปไม่ได้สัมผัสถ้ากระจัดกิเลสไม่ได้หมดเธออย่าพึงนิ่งนอนใจเลยพระพุทธดํารัดนี้ตรัสสอนเหล่าภิกษุผู้ทรงศีลเป็นต้นในภิกษุเหล่านั้นบางรูปดําริว่าตนมีศีลหมดจดไม่นานนักก็บรรลุอรหัตผลได้จึงนิ่งนอนใจไม่เพียนปฏิบัติธรรม บางรูปดําริว่าตนถือทุดงบ้างเป็นพระหูสูตรบ้างบรรลุสมาบัติแปดบ้างอยู่ในวัดป่าที่เงียบสงัดบ้างบางรูปบรรลุอนาคามิผลแล้วดําริว่าตนอาจจะบรรลุอรหัตผลได้ไม่ยากแล้วนิ่งนอนใจเสียพระพุทธองค์จึงทรงแนะนำว่า อย่านิ่งนอนใจจนกว่าจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต์วิธีละความฟุ้งซ่านห้าประการจะเห็นได้ว่าการเจริญวิปัสนาภาวนาเป็นกิจอันประเสริฐที่ผู้เจริญวิปัสนาชื่อว่าเป็นผู้บูชาพระบรมศาสดาด้วยการบูชาสูงสุด ทั้งเป็นธรรมทายาทผู้รับมรดกธรรมอันสูงสุดและเป็นผู้ประพฤติตามคําสั่งสอนอันสูงสุดของพระบรมศาสดาด้วยเหตุนี้ในขณะที่เจริญวิปัสสนาจึงควรตั้งใจกำหนดจดจอยอย่างต่อเนื่องไม่ขาดช่วงตั้งแต่ขณะเข้านอนจนกระทั่งหลับสนิทโดยไม่จำเป็นจะต้องไปเจริญกุศลอื่นอย่างไรก็ตาม ในบางคณะอา จ, จเจริญสมถะภาวนาเพื่อละกามวิตตกเป็นต้นได้เช่นกันในที่นี้จะกล่าวถึงวิธีละความฟุ้งซ่าน5ประการตามข้อความในคำพีมุลปัญ น, นาตวิตตกกสันฐานสูตรโดยสังเขปคือ 1. การใช้สมถะข่มความฟุ้งซ่าน 2. การพิจารณาโทษของความฟุ้งซ่าน 3. การหยุดกำหนดรู้ชั่วคราว 4. การกำหนดรู้ต้นเหตุของความฟุ้งซ่าน 5. การกำหนดอย่างจดจอ่อพึงทราบความพิสดารดังต่อไปนี้การใช้สมถะข่มความฟุ้งซ่านเมื่อความกำหนัดพอใจเกิดขึ้นในบุรุษหรือสตรีพึงเจริญอสุภาพภาวนาเมือ่อความโกรธเกิดขึ้นพึงเจริญเมตตาภาวนา เมื่อความโลภในวัตถุสิ่งของเกิดขึ้นพึงพิจารณาว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีเจ้าของอย่างแท้จริงหรือพิจารณาว่าเป็นของที่ดำรงอยู่ชั่วขณะแล้วพิจารณาว่าเป็นของไม่เที่ยงเมื่อเกิดโทสะก็พึงพิจารณาโดยความเป็นธาตุว่าไม่มีคนที่ควรโกรธมีเพียงธาตุสีที่มาประชุมกันเป็นบุคคลเท่านั้น เมื่อเกิดโมหะก็เกิดพร้อมด้วยความฟุ้งซ่านหรือสงสัยพึงกำจัดโมหะนั้นด้วยการไต่าถามและฟังธรรมเป็นต้นอีกนายหนึ่งเมื่อเกิดกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งก็พึงกำจัดด้วยสมถภาวนาที่ตนช่ำชองย่อมจะละกิเลสได้ทุกอย่างหากเจเริญวิปัสสนาเป็นเวลานา น, านแล้วเกิดความเหน็ดเหนื่อยทางกายและใจ พึงเจริญสมถภ า, าวนาดังกล่าวส่วนผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการเจริญสมถภ า, าวนาก็พึงเจริญสติกำหนดรู้สภาวธรรมที่ปรากฏชัดเจนแม้ความเดือดร้อนใจที่เกิดแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดศีลก็พึงละด้วยการปรงอบาดเป็นต้นอนหนึ่งการพิจารณาเช่นนี้เหมาะกับผู้ที่มีการสดับหรือผู้ที่เจริญสมถภ า, าวนา อย่างชําจองแล้วการพิจารณาโทษของความฟุ้งซ่านนักปฏิบัติพึงพิจารณาโทษของความฟุ้งซ่านว่าถ้าความดำริในกรรมคุณเป็นต้นเพิ่มโูลขึ้นอาจทำให้ศีลวิบัติแล้วไปสู่อบายภูมิขัดขวางความเป็นมนุษย์หรือเทวดาชั้นสูงและเป็นเหตุให้หล่าสัตว์ไม่สามารถหลุดพ้นจากวัตทุกได้ ความจริงแล้วเหล่าสัตว์ชอบตามใจตนเองจึงดูแลรักษาร่างกายนี้ให้สุขสบายเมื่อเป็นดังนี้ย่อมพบกับทุกนานับประการในสังสารวัตรมีคาถาบทหนึ่งที่โบราณจารย์ประพันธ์ว่านาหังทาโสพัตโตตุยหังหนาหังโปเสมิธานิตังตาเวเมวะโปเสนโตทุกขงัง ปัตโตวัตเตอานัปรปะกังเราไม่ใช่ทาสหรือคนงานของเจ้าเราจะไม่เลี้ยงดูเจ้าอีกในการนี้เราได้รับทุกมากมายในวัฏฏะเพราะเลี้ยงดูเจ้าโดยแท้คาถานี้เป็นบทประพันธ์โบราณจารย์ชาวพมา่าซึ่งแต่งร้อยแก้วในคำพีวิสุทธิมักเป็นร้อยกรองมีข้อความในคำพีวิสุทธิมักว่า อันหนึ่งเมื่อภิกษุฉันยาสองสามวันแล้วโรคไม่ระ ง, งับไปเธอพึงตำหนิร่างกายว่าเราไม่ใช่ทาตหรือคนงานของเจ้าเราได้รับทุกขในสังสารวัตอันไม่ปรากฏเบื้องต้นเพราะเลี้ยงดูเจ้าโดยแท้แล้วเจริญสมณะธรรมการหยุดกำหนดรู้ชั่วคราว ในบางขณะความฟุ้งซ่านอาจเกิดขึ้นอยู่เสมอในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในขณะนั้นนักปฏิบัติไม่พึงใส่ใจอารมณ์ดังกล่าวทั้งควรหยุดเจริญสติกำหนดรู้ความฟุ้งซ่านนั้นควรหยุดพิจารณาชั่วครลาวนี้จะอำนวยประโยชน์แก่นักปฏิบัติที่มีความปรารถนาความก้าวหน้าหรือมีความเพียรในการปฏิบัติมากจนเกินไป โดยเฉพาะผู้ที่บรรลุสังขารุเปกขาญาณแล้วไม่บรรลุมรรคญาณอาจเกิดสภาวะอย่างนี้จึงควรหยุดเจริญวิปัสนาสองชั่วโมงสามชั่วโมงครึ่งวันหรือหนึ่งวันแล้วสนทนาปราสายตามปกติหรือไปไหว้พระเจดีหรืออาบน้ำซักผ้าหรือนอนหลับตามสบายดังนี้เป็นต้น ต่อมาจึงเจริญสติกำหนดรู้สภาวะธรรมปัจจุบันดังข้อความในพระบาลีว่าเตนะพิกเวภิกุณาอสติอมณะสิกาโรอาปัจชิตาโพดูกระภิษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงถึงการไม่ระลึกรู้และไม่ใส่ใจอันหนึ่งในคำพีอัตถกถากล่าวว่า ถ้าความฟุ้งซ่านยังไม่หายไปด้วยการไม่ใส่ใจปฏิบัติอย่างนี้ควรสาธยายคมพีอ่านคำพีหรือตรวจดูสิ่งของว่าสิ่งนี้เป็นกรงไม้ขีดนี้เป็นไม้ขีดนี้เป็นซิลนี้เป็นมีดนี้เป็นกรรไกรตัดเล็บนี้เป็นเข็มนี้เป็นได้เป็นต้นหรือควรทำงานมีการสร้างกุฏิกรรมฐานเป็นต้น ตามในที่บรณาณจารย์กล่าวไว้การกำหนดรู้ต้นเหตุของความฟุง้งซ่านในบางขณะนักปฏิบัติพึงพิจารณาหาต้นเหตุของความฟุง้งซ่านความจริงแล้วก่อนที่ความฟุ้งซ่านจะเกิดขึ้นมักมีจิตที่ต้องการจะคิดเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นก่อนถ้านักปฏิบัติกำหนดจิตที่อยากจะคิดได้ทันท่วงทีความคิดก็จะไม่เกิดขึ้น หรือถ้าความคิดเกิดขึ้นแล้วนักปฏิบัติกาหนดรู้แล้วความคิดนั้นจะไม่หายไปเพราะจิตจะอยากจะคิดมีกำลังมากก็พึงกาหนดจิตที่อยากจะคิดดังกล่าวการกำหนดอย่างจดจอ่อวิธีการปฏิบัติตามปกติแต่เพิ่มการจดจ่อมากขึ้นกว่าเดิมดังข้อความในพระบาลีว่าเตนะภิกเวภิกุนา ทันเตปิทันตะมาทายะชิวหายะตะลุงอาหัจเจตสาสจิตตังอภินิคันหิตตับพังดูกะระภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงใช้ฟันขบฟันใช้ลิ้นดุลเพดานใช้จิตคมจิตวิธีนี้เหมาะแก่ผู้ที่มีการสดับน้อยและเจริญวิปัสนาชั่วขณะ โดยมีเวลาปฏิบัติไม่กี่วันหรือไม่กี่เดือนอนหนึ่งวิธีนี้เรียกว่าอปปนิธายะภาวนาคือภาวนาที่ไม่ตั้งจิตไว้ในอารมณ์อื่นส่วนที่กล่าวมาแล้วสวิธีจะเรียกว่าปนิธายะภาวนาคือภาวนาที่ตั้งจิตไว้ในอารมณ์อื่นเป็นวิธีที่เหมาะสมแก่ผู้มีการสดับมาก และได้เจริญวิปัสนาเป็นแรมเดือนแรมปีวิธีทั้งสองนี้พบในคำพีสังยุตติกายนอกจากนี้ในอธิกถาของสติปัฏฐานสูตรเป็นต้นกล่าวถึงการพิจารณาเพื่อละนิวร์และการพิจารณาเพื่อเพิ่มนพลโพชงเป็นต้นส่วนการพิจารณาเหล่านั้นนับเข้าในปณิธายะภาวนาแล้วจึงไม่ขอกล่าวในที่นี้อีก ด้วยเหตุที่กล่าวมานี้ผู้ที่เจเริญวิปัสนาภาวนาอย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นพึงกําหนดรู้เท่าทันสภาวะฟุ้งซ่านเป็นหลักแต่ถ้าไม่อาจหยุดยัง้งความฟุ้งซ่านได้ก็พึงเจเริญสมถะ ภ, ภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งตามสมควรส่วนผู้ที่มีการสดับน้อยควรขอรับคําแนะนําจากพระวิปัสสนาจารย์ท่านจะชี้แนะตามความเหมาะสม เป็นรายบุคคลไปอุปสรรคของสมาธิ6ประการพระสารีบุตรกล่าวถึงอุปสรรคของสมาธิและวิธีกำจัดไว้6ประการคือ 1. การคำนึงถึงอดีต 2. การคาดหวังอนาคต 3. ความหดหู่ 4. ความพยายามยิ่ง 5. ความปรารถนายิ่ง 6. ความท้อถอยข้อความข้างต้นมีความพิสดารดังต่อไปนี้การคำนึงถึงอดีตจิตที่คำนึงถึงอดีตย่อมตกไปสู่ความฟาุ้งซ่านภิกษุย่อมหลีกเกลี้ยงอดีตอารมณ์นั้นและย่อมตั้งจิตไว้ในปัจจุบันอารมณ์อย่างเดียวเมื่อตั้งจิตไว้อย่างนี้จิตย่อมไม่ถึงความซัดสาย สิ่งที่เคยเห็นได้ยินรู้กลิน่นลิ้มรสสัมผัสหรือนึกคิดมา ก, ก่อนชื่อว่าอดีตอารมณ์จิตที่คํานึงถึงอารมณ์ที่เคยรับรู้มานั้นย่อมตกไปสู่ความฟุ้งซ่านเช่นขณะเจริญวิปัสนาภาวนานักปฏิบัติอาจหัวนึกถึงสิ่งที่เคยเห็นได้ยินรู้กลิน่นลิ้มรสสัมผัสหรือนึกย้อนไปถึงวันก่อน เดือนก่อนหรือปีก่อนหรือว่าหวนนึกถึงการปฏิบัติที่ดีหรือไม่ดีในช่วงเวลาที่ปฏิบัติธรรมอยู่หรือว่าหวนนึกถึงสิ่งที่ตนลืมกําหนดรู้เท่าทันแล้วพิจารณาว่าอารมณ์ดังกล่าวเป็นรูปหรือนามปรากฏชัดหรือไม่ปรากฏชัดดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติควรกําหนดรู้อดีต อารมณ์ที่เกิดขึ้นทุกๆขณะที่รู้ตัวแล้วตั้งจิตไว้ในปัจจุบันอารมณ์คือกำหนดรู้ปัจจุบันอารมณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะเมื่อเป็นดังนี้จิตย่อมดำรงมั่นไม่ซัดสายโดยเหตุที่อยู่ในเรื่องว่าความเจริญการวิปัสสนาภาวนาดังนั้นคำว่าเอกัตถเน จึงหมายถึงปัจจุบันอารมณ์ถ้าเกี่ยวกับการเจริญวิปัสนาคำนี้หมายถึงอารมณ์ของสมถะกรรมฐานการคาดหวังอนาคตจิตที่คาดหวังอนาคตย่อมซัดสายภิกษุย่อมหลีกเลี่ยงอนาคตอารมณ์นั้นและย่อมใส่ใจในปัจจุบันอารมณ์อย่างเดียวเมื่อใส่ใจอย่างนี้จิตย่อมไม่ถึงความซัดสาย สิ่งที่เกิดในอนาคตด้วยการเห็นได้ยินรู้กลิน่นลิ้มรสสัมผัสหรือนึกคิดชื่อว่าอนาคตอารมณ์จิตที่คาดหวังอารมณ์ดังกล่าวย่อมซัดสายไม่สงบนิ่งเช่นความคาดหวังว่าจะเห็นหรือได้ยินสิ่งในอนาคตหรือคาดหวังถึงความรุ่งเรืองก้าวหน้าในภพนี้หรือพบหน้า หรือว่าคาดหวังความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติควรกำหนดรู้อนาคตอารมณ์ที่เกิดขึ้นทุกๆขณะที่รู้ตัวแล้วใส่ใจในปัจจุบันอารมณ์เมื่อเป็นดังนี้จิตย่อมดำรงมั่นไม่ซัดสาย